ทำบุญแบบทุ่มสุดตัวเพียงพอกับการผ่อนส่งกรรมเก่าไหมถามเป็นคนหนึ่งที่ช่วงหลังๆเนี่ยทําบุญแบบทุ่มสุดตัวในรูปการบริจาคทานประเภทต่างๆข้อจํากัดคือเงินเดือนน้อยใช้ใจ่ายส่วนตัวที่จําเป็นที่เหลือเอาไปทําบุญหมดถือว่าเป็นเรื่องดีหรือไม่ตอบ เกี่ยวกับเรื่องนี้ต้องแยกตอบเป็นสองแง่ครับถ้ามองแง่เดียวจะได้ภาพที่ไม่ครบและก็เกิดความเข้าใจที่แหว่งวิน 1. นแง่ของการครองชีพธรรมชาติของคนที่ต้องทามาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องนั้นเงินทองทาให้ครองชีวิตได้เป็นปกติสุขทำมาหาได้เท่าไหร่ก็ต้องวางแผนทั้งในระดับของการใช้จ่ายเฉพาะหน้าและการเก็บออมไว้เผื่อฉุกเฉินในอนาคต หมายความว่าค่าใช้จ่ายส่วนตัวนั้นมีทั้งปัจจุบันที่ต้องใช้เลยและทั้งอนาคตที่ต้องเอาเข้าธนาคารไว้รอจ่ายโดยไม่คาดฝันด้วยหากทําบุญแบบทุ่มสุดตัวขาดการไตร่ตรองขาดการเผื่อขาดเผื่อเหลือไว้สําหรับ เ, เ, เพจฉุกเฉินก็จัดว่าเรากรองชีพด้วยความประมาทไม่ระมัดระวังไม่รอบคอบเป็นที่มาของการเบียดเบียนสองฝ่ายคือเบียดเบียนตนและเบียดเบียนผู้อื่น การเบียดเบียนตนที่เห็นได้ชัดก็คือบางครั้งเมื่อต้องการได้สิ่งที่สมควรได้ก็จะไม่ได้หรือจำเป็นต้องใช้ก็จะไม่ได้ใช้อย่างเช่นเสื้อผ้ารองเท้าเก่าหรือขาดก็อาจต้องรอแล้วรออีกไม่มีจังหวะซื้อหาเสถทีหรือพ่อแก่ตัวลงเริ่มเจ็บไข้บ่อยสังขารโรยราให้ต้องบารุงมากขึ้นก็ขาดปัจจัยค่ายาค่าหมอ ค่าอุปกรณ์พอนักให้เป็นเบาทั้งหลายหากเกิดความเดือดร้อนขึ้นเพราะวิธีทำบุญแบบทุ่มสุดตัวนี่เป็นตัวอย่างของการเบียดเบียนตนเพราะวิธีทำบุญสุดตัวของเราส่วนการเบียดเบียนผู้อื่นนั้นคือบางครั้งเมื่อถึงคราวจำเป็นต้องใช้เงินอย่างยิ่งยวดก็อาจทำความอึดอัดให้กับญาติสนิทมิตรสหายผ่านการหยิบยืมเขาอยากปฏิเสธใจจะขาดแต่ก็สงสารเรา อดช่วยไม่ได้หรือบางทีไม่ต้องหยิบยืมใครก็จริงแต่อาจต้องเบียดบังเงินทองของครอบครัวปล่อยทําให้ครอบครัวต้องกระเบียดกระเสียนตามเราทั้งที่ไม่ได้อนุโมทนายินดีไปด้วยพวกเขาเลยผ่านเกลียดศาสนารังเกียจการทําบุญทําให้จิตตกด้วยความคิดอกุศลกลายเป็นภัยหรือกลายเป็นโศกนาตกรรมทางวิญญาณไปนี่เป็นตัวอย่างการเบียดเบียนผู้อื่นเพราะวิธีทําบุญสุดตัวของเรา 2. ในแง่วิบา ก, กรรมพระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ว่าถ้าเห็นผลของทานเหมือนอย่างที่ท่านเห็นมนุษย์ทั้งหลายคงแจกอาหารแก่คนและสัตว์ก่อนบริโภคเองเป็นแน่แท้นั่นเพราะอะไรเพราะผลของทานยิ่งใหญ่เกินจินตนาการการให้เปล่านั้นคุ้มซะยิ่งกว่าคุ้มการให้เปล่านั้นคุ้มซะยิ่งกว่าลงทุนหวานเม็ดเงินหวังผลในเชิงธุรกิจเป็นไหนห คือถ้าให้ทานด้วยความบริสุทธิ์ใจแล้วคิดง่ายๆว่าให้หนึ่งบาทอย่างน้อยที่สุดต้องตอบคืนกลับมาร้อยบาทนี่เป็นสิ่งที่พระพุทธองค์ผู้รู้แจ้งทรงยืนยันผลของทานนั้นคนส่วนใหญ่จะได้ยินว่าทำให้เกิดใหม่ร่ำรวยหรือได้ไปสวยสวรสวรค์ในภพหน้าซึ่งก็เป็นความจริงแต่นั้นเป็นความจริงเพียงส่วนเดียวที่แท้แล้วผลของการทาทานให้ภัยบุ์ ยังมีความน่าชื่นใจอีกมากไม่จำเป็นต้องตายซะก่อนจึงจะรู้เห็นก่อนอื่นขอให้เลงไปที่จิตมนุษย์ว่าขับแคบและมืดทึบอยู่ด้วยกิเลสชนิดใดบ้างถ้าไม่กล่าวถึงหัวโจกอย่างความตรณีก็คงเหมือนขาดผู้ร้ายตัวสำคัญไปอันว่าความตรณีที่เหนียวนั้นมักเข้าคู่กันได้ดีกับความเลงโลภอยากได้สมบัติผู้อื่น เรียกว่าความงกกับความโกงนั้นเป็นเกลือแก้วเป็นคู่หูที่เห็นตัวใดก็มักเห็นอีกตัวเป็นเงาตามมาด้วยเสมอการคิดสลับการคิดให้การคิดเกื้อกูลจัดเป็นปรปั ก, กกับความตรนีโดยตรงฉะนั้นยิ่งเราให้ทานมากเท่าไหร่ความตรนีก็ยิ่งถูกกำจัดออกจากใจเรามากเท่านั้นคือถ้าทาทานแบบทุ่มสุดตัว ก็หมายถึงกําจัดความตรรนี์ได้เต็มพิกัดเช่นกันและเมื่อความตรรรย์หายหน้าไปอย่างแท้จริงความอยากโกงก็ต้องพลอยหายหอนไปด้วยหรือแม้ยังหลงเหลืออยู่ก็คงไม่กล้าโผล่หน้าออกมาถนัดนักเราจึงต้องยกความดีให้กับการทําบุญแบบทุ่มสุดตัวในแง่ที่มันช่วยประกรันเราไม่ให้ตกหลุมพรางไปติดเหยื่อล่อให้คิดคดโกงหรือขโมยของใครเพราะกับแค่สมบัติของตนเอง ยังยกให้ผู้อื่นได้แทบหมดเกลี้ยงแล้วใจจะมีกําลังไปยกเอาของใครมาให้ตนเองไหวอีกประการที่สําคัญคือความสุขทางใจคนที่ทําทานด้วยความเห็นว่าเป็นงานอดิเรกเป็นการรื่นเริงเป็นความบันเทิงใจจะมีแต่ปีติและสุขอยู่เสมอเพราะทุกครั้งที่ให้ทานย่อมกําจัดความตระหนีออกไปบ้างไม่มากก็น้อย ซึ่งเท่ากับขจัดความหนักและปฏิกูลที่หมักหมมออกจากจิตยิ่งเอาของหนักออกมากก็ยิ่งเบายิ่งชะล้างสิ่งโสโปรกออกมากก็ยิ่งสะอาดผ่องใสก็เกิดธรรมชาติโปร่งโล่งเบิกบานขึ้นเหล่านี้คือความจริงที่แกล้งพูดให้เป็นอื่นไม่ได้มีความจริงอยู่ประการหนึ่งซึ่งคนทั่วไปไม่รู้ยังจะขาดประสบการณ์ตรง นั่นคือรสของทานจิตนั้นเป็นสิ่งที่เสพแล้วติดได้อย่างหนึ่งเพราะปิติสุขอันเกิดจากการทำทานดีๆนั้นคล้ายกับปิติสุขของการทำสมาธิมีความเย็นซ่านมีรสหวานชื่นและมีความโปร่งเบาไร้กังวลแม้แบกภาระหนักอึ้งอยู่เพียงใดถ้าได้ทำทานที่ชอบใจแล้วก็เหมือนเมาลายหายไปหมดในไม่กี่พริบตาจึงไม่น่าแปลกใจ ที่บางคนชอบทุ่มสุดตัวเพราะยิ่งทุ่มมากเท่าไหร่ยิ่งบังเกิดสุขลึกซึ้งมากขึ้นเท่านั้นถามเงินทําบุญที่ว่านี้ก็แค่ไม่กี่พันบาทแบบนี้จะถือว่าเป็นการผ่อนส่งกรรมเก่าได้ชาไปไหมตอบ คำถามซึ่งสะท้อนความในใจคือเกรงจะผ่อนส่งคำเก่าช้าไปกลายเป็นตัวตัดสินสุดท้ายทันทีครับว่าทานที่คุณทำอยู่นั้นจัดเป็นทานแบบมีความผูกพันมีความหวังผลจากทานจึงไม่อาจจัดเป็นสุดตัวหรือสุดใจสะอาดบริสุทธิ์เต็มร้อยได้พูดง่ายๆว่านี่ไม่ใช่การสละที่แท้จริงผลที่พึงเกิดจากการทาทานแบบสุดตัวสุดใจ จึงอาจจะไม่ปรากฏเต็มเม็ดเต็มหน่วยนักก่อนอื่นลองเลิกคิดว่าจะผ่อนสงกรรมเก่าด้วยทานแต่ให้ทำทานด้วยความคิดว่านี่คือกรรมใหม่นี่คือเส้นทางใหม่นี่คือจิตแบบใหม่ขอให้ผลทานจงงอกเงยอย่างรวดเร็วในรูปของการโดนจิตให้สามารถคิดละสิ่งสกปรกหรือส่วนเกินทั้งปวงออกไปจากชีวิตได้ง่า ย, ายรับประกันว่า ถ้าอาธิษฐานด้วยใจบริสุทธิ์อย่างนี้ทุกครั้งก็จะได้ผลตามคำอธิษฐานอย่างรวดเร็วและคุณจะพบว่ากรรมเก่าให้ผลเบาบางลงไปมากเนื่องจากความสุขจากกรรมใหม่เข้ามาท่วมทับกองทุกแบบเดิมๆเหมือนที่พระพุทธเจ้าตรัสเปรียบเทียบว่ารถเกลือย่อมเจือจางเมื่อเติมน้ําใหม่เข้าไปมากขึ้นเรื่อยๆ